ข้อบทว่าป ร, รูหิแปลว่าโปรดตรัสคือโปรดแสดงบทว่าอุตมังความว่าวิเศษคือประเสริฐได้แก่นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่โลกทั้งหมดก็ในคาถาทูลถามนี้บัณฑิตพึงเห็นสันนิฐานว่าความต่างการแห่งวจนะ เทวดากระทำด้วยสามารถเพ่งประเภทว่ามังกลานี้และด้วยสามารถเพ่งชาติว่ามังกลังเหมือนความต่างกันแห่งวัจนะอันเท้าสักกะทรงกระทำแล้วโดวยสามารถเพ่งประเภทและชาติในกึ่งคถานี้ว่าข้าแต่พระฤาษีเจ้าขอพระองค์จงทรงเลือกพรอถิด หม่อมฉันจะถวายพรแปประการแก่พระองค์ส่วนในอัตคาถาพระอัตคาถาจารย์กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ผู้อันเทพบุตรเชื้อเชิญเพื่อให้ตรัสมงคลอย่างหนึ่งด้วยคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดดังนี้ตรัสคาถาหนึ่งสามมงคล ตุดบุรุษผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางเขาขอน้อยก็ให้มากฉะนั้น